ข้าในถากขวาในพ่อไปพ่อปานเมี่ยงกระบือเมี่ยงกระบี้บินเ น, นี่ยมอนไปถากอะไรต่งขี่ขวาในบินพ่อปานเมี่ยงกระเบือกระบี้บินเ น, นี่ยมันไปหลวงปู่หนึ่งโอ้ล่ําสันใหญ่ยยแข็งแรงมันไปแต่เพิน่นเพิ่นบวชเพิ่นอายุเพิ่นบวชเท่าใดอายุของหลวงพ่อเท่านั้นมันไปถ้าจะว่าไปละหลวงปู่ หลวงปู่บวชหลวงพ่อก็เกิดนไป เ, เพิ่นบวชปี8ปบแปดวันละไปสองพสดบแปดวันละไปหลวงพ่อก็เกิดปีสองพี่รยปดสบปดวันละไปเพราะนั่นอยากอยู่จักพันษาของหลวงปู่เท่าไหร่อายุของหลวงพ่อก็ทานันเ์วันละไปนี่แหละหลวงพอ่อยู่กับหลวงปู่เนี่ยถือว่าเป็นพ่อเป็นปู่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 ขืนกับขืนทางขยะผู้เท่าหกลมต่างร้ายเถื่อสมัยหนึ่งเพิ่นส่งน้ำขึ้นมาเฮาก็ราะเด่นน้ำหลังเพิ่นวนไปส่งน้ำนังก็ขืนมาก่อนเพิ่นเพิ่นก็ส่งน้ำเสร็จแล้วเพิ่นก็มัดอ้้น้ำมันเพิ่นก็เลยเอามือเอาผ่าครับอาบน้ำนะพาดเสีแขนข้อศอกยหลวงปู่เนี่ยเพิ่นบห้เอาผ่าค้ามาพาดบาเ ขั้นที่ปกหัวกระปกหัวเศร้าสันขั้นที่พาดปลาหนึ่เอาผ่าข้องข้อเนี่ยขึเจ้าสูอสันเป็นว่าเฮ็ดเซงแสเซ็งแสอยู่มันโมเป็นตะเบิงผ่าสันผ่าเอาผ่าข้องข้อสันเป็นว่าพอหนันเวลาเพิ่นอาบน้าเสร็จแล้วเพิ่นก็ผัดหอยตองตองแขนเพิ่นเดินอไปพอขึนนาขึ้นมาตามลาพังก็มีหางเธอกระถือไม้เท่าหางเธอเพิ่นก็บถือไม้เท่าแต่ตามปกติเพิ่นก็บอกก็ถือเพยังนมอยู่ ทางเธอเพิ่งก็ถือให้กันแล้ววันโนไปถือไม่เท่าพร ม, มยังไปไล่ควายลงไปควายมากเลเพิ่งก็ยกไปเท่าไล่วันโน้นไปเพื่อเป็นไม่ไล่ควายวนโนไปควายแถวแต่มันดือด้อเดะเออบางที่เห็นพาเน้นโดดใสโดดวันโไปเพิ่งก็ทํธาตาหายไล่มันเออแต่เพิ่งก็เลยขืนมากขืนมากมาเห็นหมาวันเนี้ยหมาตัว น, นึงมานยุ่งเนี้ยตรายผู้เนะี้มันนอนอยู่ก้อนหินเออเพิ่งก็จับผาค่ะ ขมาเน่เพื่อนกันยกจะอ้เมืองมันนอนจังนี้เพื่อนวะพ่อหมามันเป็นหมาบ้าได้บ้าหมาตอนนั้นเป็นมเมนหมาธรรมดามันกัสักขยงมาใส่เพ่นเพื่อนก็ห้อยห้อย้หเอเออบิเวณต่างทางงายหลังเลยพุทโธไปล้มเออโอ้เจ็บไหลเติบยกเพื่นวะลุกขึ้นมาหมาก็ไปพ่อหมาขึ้นกันนะวะบริการเพื่อนกว่าเะพราะว่าเพิ่งผ่าผ่าขมาเพื่อนมันเปียกมันหนักดอ ตุยเสีหมาลงไปหมาก็เลยหงายหลังไปนั่นแหละมาพี่หน้าพูดโอ้คขอเป็นหมากาัดข้าวนั่นอยู่ในปา่าในหลวงจักเขาสใส่ยายัางให้เพิินพระ่ไาไอ้ยาอกกันหมาบ้านี่กัมันมีบดแถวนั้นวนไปมุกดาหารพนันมันบ ม, มเมนตใกล้เลยว่นไปยังว่าพี่หน้าพอดโอ้นับว่าเป็นบุญแต็มแน่นเคยคงจะเป็นบาปเป็นเวรของเพิินขึ้นกันหมาตานนั้นไมนจังจังไหนจมาโดดสเสพนวันไป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 ยังตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยดูแลกอกอุ่มเพนถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นคู่บาอาจารย์เนี่ยยังยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยคคยบวชน้ำเพลนอีกวันนึงไปเป็นตะปักขาวอีกยมแม่เนี่ยสิคะเขารลบหลวงปู่เขาลรขาลบสุดๆดวันนึงไปอ่ันสุดไทยเนี่ยเปนยังวา่าเด้เป็นไหนลน่วเนะป็แม่ปฏิบัติหลวงปู่โยผู้ขานะผู้ขานได้ปฏิบัติ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 กาบจังไดไหวจังใดคำพูดจังไดค้นจะเว่าควนจะกเกาจังดขู่ข้ขนมากเกี่ยวของเฮ็ดจังไดเนี่ยหลวงปู่พั น, นมดในร า, ายละเอียดลงไปยังจะไปยกขันน้ำใหายยา้ ญ, ญาติโยมขึ้กันสมุยญาติโยมมานี่บุจักเขาเนี่ยไปกท็ทยกแก้วน้าไปให้เฮ็ดกงโก โ, ก โ, โ, กโยกยโบได้เดหลวงปู่พันวัต้องนั่งเฮ็ด<อ>แบบถอดสายบัวลไปเฮ็ดขอยะลงสกอรให้นั่ง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 โดยเฉพาะอย่างพ่อแม่เขามากเ่ยจ้ะสี่ไปหายโดยความบกครบ่อไรกันออไปแต่พ้นว่าเนี่ยพ่อแม่ของเจ้าของเนี่ยหายตรงหายโดยความครุบบ่แมนสี่หแบบวิสาสะเบิง น, นะอันนี้ก็คือเป็นคามบอกขํามกาวคํามสอนของหลวงปูน่นะเพราะนั้นหลวงปู่เนี่ยเป็นโฮมพ่อโมไส้ของ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 พวกข้าเบึงยุ่ในปา่าถงพงไพ่บกขคิดว่าจิกขู่คนี่เข่องมาเกี่ยวของก็มากถงสี่แล้วคันว่าผู้ใดได้สร้างบุญลกพ่อว่าจังไหนจังไดนก็ไปหลอดมันออกไปใครจิตใจเป็นกุศล เ, เวียนเสียถึ่ทำอ้ยังหวังอันนั้นถ้ำมณีหวังอันนั้นทำหวังภายนอกทุกยมากกุศลปุ่นกุศลที่ท้ำไปมันลดปริมาณเลยเพลังลดพลังลงมันออกไป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 โมเมนต์ที่บางคนามาถามอีกอเฮตบุญแล้วก็บุญก็พ่สอยหอกบุญจักเป็นตัวจังไดบุญจักเป็นตัวจังใดบุญก็ จ, ากจมาส้อยได้จังใดผู้ค่านวะ่าเสือดอกว่าเสือบุญหรอกขั้นเป็นยังสั้นมันก็เขาทําน่องที่วา่าพระกรรมาฐานเอาขีดดังหายหน่าเลือดลงไปพวกเขาเคยได้ยินบ่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 ที่หลวงพ่อบวชมาตะเล็กตะน่อยขึ้นกันหลวงพ่อบอดิเสียใจและการสั่งเสียสละ อ, อย่างก็ตามที่ใดญมากจตุปัจจัยที่ใดญมาก ห, ห, หายกูหายข้นห้วัดว่าศาสนาหาโรงพยาบาหลหายลุงหล่ำลุงเล่นหลวงพ่อเสียใจบอ่อหลวงพอ่อภาคพุ่มใจที่ได้ให้ไปเพราะนั้นหลวงพอ่อจึงมาหยุดจุ ด, จ ด, จดนี้แน่วพอเป็นตะมีก็มีแน่วพอเป็นตะเป็นก็เป็นอแนวที่ว่าข้าวนี่ มีความจําเป็นจะได้ใช่ไทดเดอมันกําลังไหลเขาม้าใครข่าวว่าเลี้ยงขิ่วขอม้าบ่ออัพบ่อจดก็ต้องไปนี่หลวงพ่อว่าขั้นบ่ว่าบุญทีว่าอีอย่างก็ต้อไปหลวงพ่อว่าเป็นบุญเดชเพราะนั่นในสร้างบุญไว้นะเท่าคนมีบุญไปใสลมเจ็นเป็นสุกมัดน่ะไอ้คนโบกุจักบุญก็ยังว่าอย่างที่หลวงพ่อว่ามีภาะกรรมฐานภาะกรรมฐานบ่มีเงินเดช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 ศีลขาดไปขอหนึ่งนะพี่สูก่เก็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเดี๋ปก็ดีซึ่งเงินและทองอนะตรงนี้จะขีย่ยาปาจิตตีนะนี่แหละอันนี้คืมีพระกรรมฐานเพิ่นก็เพะมีเงินมาหน่อยพอมีเงินพเพิ่นก็เดิ น, น, น, นทุ่งลงไปเพิ่นมาจากขามฟังโขงมาหน่ฮยจะขามไปฟังพุ่นมาน่อยไปหอดเพื่อเพือ่อไพาหน่อยเพื่อเจ๋วมาหน่อยเพื่อเจ๋วเพื้อไพ่มาหไปอยบอกว่าอาตมาอยากจะไป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 ขั้นว่าสีอยากได้นึ่งอยากเงได้เงินกับบมีแล้ววะท่านเออาตมาบะมีเงินขั้นังว่าอยากได้ขั้นจะเอาบุญเออได้ยศได้บุญมาท่นเอาผ้าขามน้ําท่านได้บุญหลายวันโอ้ยผมก็ได้ินแต่คว่าบุญบุญมา่นผมก็อยากได้ขึ้นกันนั่นแล้ว่านเองขันสั่นจะเอาผมสะเอาบุญน้ำมาผมสะเอาบุญน้ำขั้นว่าสะให้บุญผมก็บอกเลืเงินา เออคัขันเจ้าบุญก็เอาหมืนบาหลีภาพกรรมฐานกับมุกมับก็บกบขึ้นไปเฮือแล้วกันไปพอเหือเนี่กหมอนี่กเจ้าของเฮือเนี่เือเหือแจ๋วเนี่ไ ป, ไปก็พ้าย่ำล้แล้วไปจ่ำย่ำย่ำบุ่ะรเทียมันโก็โดนเติมได้หมไปช่ขามฟังขามฟังโขงได้หมดไปพ่อไปหอดพุ่นบาทนี่พ่อไ ป, ไปถามว่า ยาคู training, ่วะสันนัยที่ว่าอาตมาจะให้บุญเนี่ยยุใส่นมบอกก็พากบอกเปล่นได้พอนไปพาว่าอาตมาเพ่นก็อาตมาน้าเดียวหน่ออาตมาทีว่าจะให้บุญผมนี่แล้วเฮ็ดยังไงวสันนยก็ให้แต่เด้พนว่าให้ยุใส่สันนัยไมก็ให้บุญนตด้ทรงทรงขำฟากก็ได้บุญเดียววาสันห่อยุใสบุญกันเป็นซีมก็ตัวต้มผมได้สัน บ่ใหายบุญจะไปเฮ็ดจังสิว่าสันนี่หายา ย, ายุ้ยใส่ห้ลร่มหายแรกว่าสันบ่อได้อะสันพระโอเน่ของไฟหายแล้วว่าสันนี่ไฟหายยุ้ยใส่พ้นว่าเายลยเอาไปมากจะดึงผ่าจีวอนพระไหววนออกไปพระโอเนนก็ไปบ่อได้วนออกไปพอหมอเขื่อนเี่ดึงผ่าจีวอนไหววนออกไปพวกนีก่เอ๊กูจิเฮ็ดจังได้ว่าสันนี่ป่านนี่ทีเอายังห้วันว่าสันนี่เอาไปมากกับลูกไปลูกมากกับโจกเข้าไปนี่ดังวนออกไป ไปควักขีดังแห่งออกมากันไปเ ม, ม็ดหนึ่งออกมาวอนหนึพ่อหนักก๊กออกมาขีดังแห่งเ ม, ม็ดหนึ่งออกมาเลยกันเลียวพุ่นเลี้ยวพีกันขั้นบ่อให้บุ๋นผมว่าให้ไปแท้ๆคนวาไปหาต้มผมมันสิว่าจะให้ปุ๋นให้ปุ๋นก็ว้ากันแล้วท่านบาดนี้บาฮาไม่หรอว่าห้ยแล้วหาแล้วใช่ทังไหนผมบ่อใดแม้ว่าท่นใดทางเพิร์นเอรกันเน่าพอเนี่ยกันพอนย่ยาพอกรรมาฐานนี่ยกัดควักควักไม้เอา้าบุ๋นคนวา บ่ามันดาบาคอหลอนยน่อยป่ะเนี่ะก็ยังหน่อยเถอะวะไหวก็ของดีมันก็จะไปใหญ่เน่ยวแต่ต้องน่อยงั้นสิแล้ววะวะทเก็บไปใส่แล้วยังพอคนวเอัตมาจะให้ผมเก็บไปใส่ปุณปวัดเลยปุณเวัตก็พาก็บอกเปลี่นว่าอัตมาอัตมาน้ามด้จะให้อตมาจะให้ผมเก็บไปใส่นน่ะเนียพอก็าบอกว่ามันเก็บไปใส่มันก็สี่เฮียแล้วันมีทางเดียวกิกินเท่านั้นแล้วสัน เพื่อนี่ก็ญาติเข่าปากมับรตเอาไปพอนี่พอเห้กินเด้พอมาบเข้าไปท่านเอกะบุญนี่เป็นสีเข้มๆหนะอย่าพอเนาะบุญบุญบุญสีเข้มๆหนอยบุญนี่เป็นสีเข้มๆหนออาตมาผนวเด้เออผลวะเด้เอาบาตรนี่ไปเลยเด้อบัตรโดยผลวะเด้บัตรย่าพอก็เฝ้าไปบักใหญ่เลยบั่รนั่ไป เออฟาเาไปปักใจนี like. <m uk doo hehe> <descon> ่แ <im> ต <agę> <m ori> ่สิให้หนีให้ไก่วนไปเออข่านสมมิิถึงผ่าจองหน้าจองหลังยู่ได้วะหนไปเออได้กินขี่ดังจะลอยแล้วนูไอืมได้กินขี่หมูจะลอยเหล่าขี่หมูแข็งวะหนไปเออเพราะยังวาสีเข้มเข้มสีเข้มเข้มนาะบุตรเนาะ่นว่ะได้เออก้อนบูตรเนสีเข้มเข้มอะตมาพุ่นว่ะเด้ปุ่นว่ะครับเนี่ยพอนไปเนี่ยเพราว่าอะตมาเอะตมาน้ำเด้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 เก็บคะแนนไปเรื่อยๆคือเก็บบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆบรมแมนสิตายจะคนให้ผู้อื่นเหตไถ่กันตายะควนให้ผู้อื่นเ็ดไถ่มันบมดถืกใจเฮาเด้ทางเทือขนาดยังมีชีวิตอยู่อิหลา่าอินั่งมึงไปซื้อยาไม่กูกินแล้วลยยาถาัดเรื่องมันปุบ ป, ปับบางเริ่มนไปซื้อเหล่าซื้อยามันหน่อยๆซะ สื่อเหล่ามาชูมูกินสัง่งเงินม่งมีทอนีเตียวมาทันมีทอนทีแล้วกูไปซื่อเหล่ากันขนาดนั้นมันก็ยังหมดถึกใจเฮาในเบนหมอนอ่ะเพราะนั้นเวลากูตายเลยให้เงินก่อนในยู่นี้ได้ให้สูทําบุญให้กูเดอ้อาเถอเพลเพล เ, เ, เข้าไปจ้างหมอร่ำคนอ่ะไฟขาง้อขาค้วยมากในงานของเฮาอีกทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลบาปอีกเพรานัไปบาปเพิ่มเขาอีกเพราะออนั้น คณะเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาสิเฮ็ดยังเฮาเา้าเฝ้าเฮ็ดเอาซะสางบุญสางกุศลให้เต็มที่หมดลงไปการทว่าตายเลยซูปะตองทำให้กูก็ได้เดอกูสางเอาพ่อแล้ว เ, เงินก็อยู่หันอยู่นี่แหละให้ซูแบงกันซะส่วนบุญซูปะต้องเฮ็ดให้กูดอกกูเฮ็ดเอาละพ่อแล้วต้องบ่อจังสันยังค่อยยังค่อยแมนหมนลงไปยังลงตามหาบัวนี่ย เ, เพิร์ลวานี่ เวลาเขาตายบ่ต้องกุชาร่าเข้าได้เถะไอ้พวกที่มากุชาราเขานี่พวกงงงงทั้งหมดเลยลักษณะนั้นหรอวะเพื่อนบอกแต่เพื่นก็บอกว่าป่านนั่นหอวะเข้าเนี่พ่อแล้วพ่อตัวแหละเถอะเนี่ยบ่ต้องทาใหมเห้าบ่ต้องกุชลราให้เ้าได้นะมั่นป่านนั้นหรพอดีวนไปเนี่ยพอขน้นพวกเข้าให้สร้างบุญถึงจะถึงจะบ่ป่านหลวงตาก็เถอะนะ ไก่มีเกลืออุ่นอกอุ่นใจสร้างบุญสร้างกุศลเข่าสู้จิตใจของพวกเข้าให้แน่นไว้ เ, เต็มโดยบุญไปด้วยเต็มไปด้วยกุศลไปไซด์กัมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข์นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะชีวิตของพัวเข้าก็ย่างทีพี่น้องพ่อแม่ปุญญาแต่ย่ายนะ่ยล่างไหลเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆจะไปคืนวัตถุของสิบวาตายได้บนแมน่นเด้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 เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนที่มาทำบุญให้พ่อใหญ่เสาเของเฮาที่เป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงปู่ก็เป็นผมพ่อผมไส้ของหลวงพ่อเนี่ยะหลวงพ่อบวชกับหลวงปู่นึงแต้หัวทอําปั่นก็ว่าได้เหมือนกันจนเป็นปานนี่แ เ, เอาออยู่ปีนี่เท่าไดเดือนเมษายนนี่ดนี่อปีได้ไลูกหลานเนี่ย่เป็นพาะน้อยพระนุ่ันได้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 ได้ถามย่อมปูถามย่อมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเห็นผู้เฒ่าอยุแกเลยเด้ตเก่าสิบกว่าปีเปานอกไปไปก็เห็นตามลาพังหลวงพอ่อก็เลยถามเปิ้ลกระม้าไก่มาถา ม, ถามน่นถามเนี่ยผู้เฒ่าเขาบอกคอยบ้าหลวงปู่ข่าหลวงพอ่อเขาเลยถามย่อมพ่อย่อมพ่อวะเท่าป้าเนี่ย่านตายายบอกวาย่อมพ่อผู้เฒ่าก็นั่งซึงลึ้งขีดโจนเอไป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 เรีวรีลุลงหนาวพาวท่นเออนี่ลหละผู้ข่าได้คิดจังสันล่ะคูบายอาจารย์เนีเิเปินเอินเอิญหลวงพ่อเป็นคูบายเป็นคูบาลูกคนออกไปนะผู้ขาได้คิดนคนเนีเ่นนนนบนบนยบ้านนี่หลวงพ่อ็มาพิจารณาเบิ้งที่หลวงโยมพอ่อว่าให้ลวงพ่อฟังหลวง พ, พ่อผู้เขาผู้เถาได้คิดคักไปเลียวแม่นความผู้เถาอิลีเดีวเออให้กล้ากรบ่กกล้าให้หานกราาะบ่หันไปให้่าตให